ฟัทงทมต่ออีกสักหน่อยเวลานี้เราปฏิบัติทมการพูดเป็นการบอกให้กระทําม่ใชยพูดให้ฟังเฉยๆบอกให้ทาถ้าไม่ทามันไม่สำเร็จทมไม่เป็นงัดทำให้มันเป็น เป็นความรู้สึกตัวนี่ยทำให้มันเป็นให้มันมีความรู้สึกตัวไปในกายเอากายมาต่อกับความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปต่อกับกายให้มันติดกันแต่ก่อนกายมันอาจจะหลงเดินฟีมาดานแล้วหายใจฟรีฟรีมาดานแล้วตําไรฟรีหมดไม่รู้สึกตัวเลย เลยไม่ได้ประโยชน์จากกายบารนี้กรรมฐานมีที่ตั้งของการกระทำเอากายเป็นที่ตั้งกายเป็นดิมิตให้มีสติกู้เขนเข้าเยี่ยนออกให้มีสตินี่เราว่าทำให้เป็นเอาไปทำดูในยุคนี้สมัยนี้ หลวงพ่อเทียนได้ทำทมแล้วได้ประโยชน์เอามาส่งนพวกเราพวกเราก็ทําตามหลวงพ่อเทียนรู้ทำเห็นทำรู้ทำหเห็นทำก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า เห็นทุกข์ก็เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นน่ะถ้าเป็นทุกข์ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นคือเห็นยังไงเห็นหัวใจเห็นคุณธรรมที่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นมันทุกข์เห็นมันทุกข์นี่เรยว่ามีคุณธรรมไม่เป็นผู้ทุกข์ทนจากความทุกข์นี่คือคุณธรรม ก็มีอยู่ในเรากรือว่าพระธรรมอยู่ในเราใครทำอย่างนี้มีทำทำนี่จะรักษาเราเหมันทุกเห็นเมนทุกไม่เป็นผู้ทุกโอนจ้าโคมทุกนี่ทำรักษาแล้วแต่ทุกเป็นทุกทำไม่รักษาไม่มีทำรักษาก็จะบอกให้ทุกยมจีชีวิตของเราทั้งกายทั้งใจ เราจึงมีสติเป็นกรรมเป็นที่ต้องถ้า ม, มีสติไม่ใช่ปฏิบัติธรรมจะนั่งสงบอยู่กี่ปีกี่เดือนก็ไม่ใช่ปฏิบัติถ้าสงบไปรู้สึกตัวควรู้สึกตัวไม่ใช่ไปนั่งสงบเป็นรูปแบบ ตัวจตตัวมันสงบจากการปุงแต่งจากข้าศึกจากเครื่องโศมหมองเรจะเรียกว่าความสงบเดินอยู่ก็สงบเดินอยู่ก็สงบทำอะไรอยู่ก็สงบไม่ปุนงสงบอย่ายิ่งเรียกว่านิ่ง ปกติปกติคือสงบอย่างยิ่งการสงบอย่างยิ่งนี่เรียกว่าบ้านของชีวิตในชีวิตที่มีบ้านบ้านอยู่ในความสงบวบ้านของจิตใจของชีวิต าาาที่ปราศจากกิเลสเครื่องปรุงพุงแต่งแก่งจริงๆเลยว่า ส, สงบจริงๆเป็นชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงๆในที่สุดไม่เคลื่อนไหวจริงๆไม่กระดุกกระดิกจริงๆร้องแก่ความเก็บความตายแต่ต้องไม่ได้ ความปกติความสง บ, มสมบที่จะฆ้าพ้นจากข่าศึก เ, เป็นฉิลปะเป็นความชำนาญขาก้วแรกจากการเห็นมีภาวะที่เห็ น, นเห็นกายมันเคลื่อนไหวให้รู้ไปตามเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดก็ให้รู้ แล้วก็มาให้มันเป็นภาวะที่ลูกอะไรที่มันเกิดกับกายเกับใจให้มันเป็นภาวะที่ลูกเข้าไปเกี่ยวขอ้องอย่าให้มันเป็นไปนตามเรื่องราวของมันเช่นหลงเป็นหลงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกพอใจไม่พอใจมันไม่ใช่ความลูกอย่าไปทํำลายลูกคา ปฏิบัติธรรมคือทำให้มันเสร็เหมือนมีโรคเหมือนหลงรู้แล้วรักษาโรคแห่งความหลงเรามาทุกข์รู้แล้วรักษาโรคคือความทุกข์เรามาโกรธรู้แล้วรักษาโรคควาโกรธคือรักษาไม่ใช่โรคหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธโรคเป็นโรค ไ, ไม่ได้รักษา ปฏิบ ha, nah, ัธรรมคือรักษากายใจที่มันจะเกิดทุกข์เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดชีเลตันหาให้บรรล้แล้ก็อยู่ด้วยกันนี่หลงออมาเป็นพระวิทร่ลู้ได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนที่ไหนที่อื่นในความหลงไม่ความไม่หลงอันน สิทธัตถะมองเห็นความเกิดมีความไม่เกิดความแก่ไม่ความไม่แก่ความเจ็บไม่ความไม่เจ็บความตายมีความไม่ตายนั่นะมันอยู่ด้วยกันมันจึงเป็นประการปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ที่ศึกษาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องรู้ยิ่งเหนจริงในทางที่คนรู้คนเห็น ตามุกควรเจผู้ปฏิบัติถ้าหลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างบางคนหลงสองสามข้างก็ยังไม่รู้ไม่สมควรตามสมควรแต่ผู้ปฏิบัติเหมือนคนมีกำลังหลงอยรู้คนมีกำลังก้าได้ หลงเป็นหลงคนไม่มีกําลังเหมือนม้าที่ไม่มีกําลังย่อมวิ่งได้ชาบกว่าม้าที่มีกําลังหมัวแต่เป็นพละอันเดนอยู่เหมือนน้ำนอยู่ไดออเ้เหลือไม่หวิดน้ำออกจากเรือเรือย่อมหนักวิ่งไม่ได้ไว คิดของเรามันพลุงพลังกับบ a l a y มาเ ป, เปื้นอนๆละไมาเอาความโกรธเอาความทุกข์เอาความรักความช่างความพอใจไม่พอใจนอนเนื่งมาด้วยเหมือนเหลือที่หนักไปด้วยน้ําที่มันเข้าไปขังย่อมเปินทางได้ชามันหนักบางวิดน้ําออกวางไว้ก่อน กันจงจะเบาเวลาปฏิบัติเราจะเอากายมาเคลื่อนไหวอย่าให้มีอะไรให้มีแต่ภาวะที่รู้เข้าไปอะไรที่มาแทรกซ้อนไม่เอามีแต่ภาวะที่รู้ไปก่อนบุกเบิกไปก่อนชัยเวไปก่อนอย่ารอด้างรอนี่อันโน่นอนันนี้อ่างโ น, น่นอ่างนี้ เอาบร้อนว่าหนาวอว่าเก็บว่าปวดปฏิบัติธรรมไม่มีอันอ้างไม่มีเขาว่าแก่ว่าหนุ่มว่าช้าว่าร้อนว่าหนาวว่ารู้ได้จริงๆไม่มีอาการนีกะเปอากาลิี้กะทำเป็นการไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรมาขวางหน้าได้ความรู้สึกตัวเนี่ย ปีนี้ขอให้มีเวลาอย่างนี้อย่างอื่นเป็นเรื่องของส่วนตัวเอาออกง่ายไม่มีใครบังคับทานข้าวอิ่มแล้วอุ้มบาตมาวางที่กะติลงแล้วนั่งต้องกายให้ตรงมีสติกำหนดกายเคลื่อนไหว ไม่ต้องไปนั่งเสียงไฟนั่งตากแดดอยู่ในผ้าห่มก็ได้เอาผ้าหม่มคลุมหัวนั่งสร้างจังหวะในผ้าหม่มไม่มีใครไปเรียกล่องแค่งานใช่การมีสิทธิลอยไปเชิน ไม่ไม่ใช่ให้ทำมาดื่นให้เป็นเวลาส่วนตัวของใครของมันเวลาจะทานอาหารก็ไปทานมีลงทานเราให้บป็นอิมป้าหวมให้มันอุน่นเราก็มีมิตรมือเพื่อน ไม่ใช่เปียวเดียวได้พออยู่กันได้แต่ที่ไหนไม่มีเวลาขอใหมที่นี่ก็อพอที่จะใช้ให้เป็นการปฏิบัติได้ไม่มีความ มีความปัญหาอะไรก็พูดกันได้มีกันเรียนนัดมิตรแต่ไม่พาหลงทิศหลงทางถ้าจะมีสติผู้สบพู ด, พ, ดพูดบอกก็มีพูดเรื่องสติผู้ฟังก็มีสติได้ฟังในสิ่งที่เราทำได้ทำในสิ่งที่เราได้ฟัง แล้วก็เกิดความสมดูลกันม่เครื่องลับมีคืนก็รู้เรื่องกันเหมือนก็อยู่ตรงหน้ากันไม่อยู่ทางข้างหลังผูพ้พูดก็พูดเรื่องให้ทำผู้ทำก็ทำอยู่หวนเฉพาะหน้าไม่รลีไม่รับ ไม่ใช่ลีลับะทร์ไม่ใช่ลีลับมันลึกซึ้งสมผัพได้ทุกควก็เหมือนกันตุกความรู้สึกตัวเหมือนกันหมดไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่ใช่เป็นคนหนุ่มคนแก่ไม่ใช่ลิทินิกายได กายก็คือรูปเหมือนกันมีท่าจีันห้าขาสองแขนสองหัวใบล่าตั้งอยู่บนบ่าไม่รอ้อนไม่หนาวเท่ากันหิวก็เหมือนกันโกรธก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เราหลงบนอื่นเขาอาจจะไม่หลงเ็าเขาหัดมาแล้ว สิ่งที่เราเป็นทุกข์คนอื่นเขามาเป็นทุกข์พระเขาหัดมาแล้วข้ามมาบ้างแล้วสิ่งที่เราโกรธคนเขาไม่โกรธสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจคนอื่นเขาทิ้งไปแล้วสิ่งที่เราเป็นสุขทุกข์คนอื่นเขาทิ้งไปแล้วเขาทิ้งไปแล้วไม่เป็นภาระแล้วเราก็คนนึงจะต้องทําได้หลงก็ไม่หลงขยันตรงนี้ สะดวกตรงนี้จกให้มันหลงจะได้ไม่หลงมันมีโอกาสข้ามตรงนี้สะดวกในความหลงทำให้เราไม่หลงเป็นความสะดวกของผู้ปฏิบัติในความทุกข์ทำให้เราไม่ทุกข์เนี่ยสะดวกสะดวกตรงที่ทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์คนที่ไม่รู้จักทำก็ทุกข์เป็นทุกข์ ไม่สะดวกเลยหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธไม่สะดวกอยู่ในโลกแบบนั้นมาอยู่ในโลกใบคนกเราฝั่งลงลงหลงอยู่ฝั่งนี้ไม่หลงอยู่ฝั่งนูน่นข้ามไป <c oughs> ทุกอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ไม่ทุกอยู่ฝั่งนูน้นข้ามไป แล้วฝังไม่ใชอยู่ฝังเดียวหลจนตายทุกจนตายโกจนตายใช่ไมันจบได้งานชั้นนี้มันจบได้กรรมาฐานการทาํางานถ้าทําแล้วไม่มัมนไม่ไล่มันไม่เสร็จลูยทาไปทำใหม่ทำมันเสร็จหมดทุกเรื่อง ทิมปัญหากายเป็นปัญญาหมดทุกเรื่องเีสิน้นสุดจะปชีวิตได้ชีวิตใหม่มันก็ต่อยอดใหม่เหมือนที่พูดฟังในหลงมันไม่หลงนี่มันยอดใหม่ในทุกในทุกมันยอดใหม่มันก็เลย เป็นชีวิตอันชีวิตมันเกิดลักษณะแบบ <c oughs> เกิดลักษณะแบบนี้มันใช่ชีวิตคือขาสองแขนสองหายใจเข้าหายใจออกนี่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันเห็นอย่างนี้มันข้ามมาอย่างนี้ยก้าวแรกข้ามจากหลงเป็นไม่หลงอ่นมันไปอย่างนี้ก่อกำเนดเกิดจากนี้ชีวิตน่ะ มันก็จะมีผ่านอะไรต่างๆได้มากมายกิเลสปันห้าตระหนักรแปรไม่ไดเห็นไม่จะเห็นตำนานแล้วเห็นไม่เป็นเนี่ยมันง่าย้ะเป็นมันยากติดเกาะติดฝังซ้ายฝังขวเป็นโศกเป็นทุกข์เป็นผิดเป็นถูกพอใจไม่พอใจไม่ไปตามร่องไม่ไหลไม่ ผ่านเรเห็นมันผ่านได้เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเราปฏิบัติเลยเวยมันสนุกนะอยากเวลาเราเดินจะกลมเวลาเรานั่งสร้างสตินี่อยากให้แม่มานั่งดูอยากให้พ่อมาดูนี่ลูกสาวของพ่อของแม่ลูกชายของพ่อของแม่ ใน เ, ออเครื่องหลงไม่หลงโอ้ยเหมือนกัเคารพคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแม่ไม่อยากให้เราหลงไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เหมือนกับเคารพพ่อเาคารพแม่เพราะว่าแม่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ในเครื่องโกรธเราไม่โกรธเหมือนกับเคารพพ่อแม่เพราะแม่ไม่อยากให้เราโกรธ เ, เ, เ, เ, เหมือนกับ ศักดิ์คุ้มค่ า, าด้าหน่มเวลาเราปฏิบัติธรรมเลยเห็นคุณค่าเห็นบุญคุณที่ได้รูปได้นามมาเนี่ยได้กาได้ใจมานี่เพื่อการนี่โดยตรงเราจะใช้ชีวิตเราอย่างไรมันพ่อมแล้วมันหลงพ่อมจะไม่หลง อะไรก็จะหลงไปหมดหลงแล้วก็ทุกข์เลยกรมไปเที่ยงก็เป็นทุกข์เลอลูกเป็นทุกข์เลยเวทนาเป็นทุกข์สัญญาสังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ลูกไม่ใช่เรื่องทุกข์เวทนาไม่ใช่เรื่องทุกข์สัญญาไม่ใช่ทุกข์สังขารไม่ใช่เรื่องทุกข์วิญญาณไม่ใช่เรื่องทุกข์ ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าถ้าไม่ศึกษานะแน่นอนเกิดแจ่เจ็บตายเราจึงไม่ต้องยองไม่ให้มันกักขังกางถูกความทุกข์ความรักความชังมันสะดวกทำให้เราได้พ้นจิรเล่านี้ มันน่าจะกระตือรือร้นถ้าไม่ทำก็เป็นภาระในความหลงมีภพมีชาติเกิดดับเกิดดับไม่จบไม่สิน้น ในความทุกข์ในความโกรธก็มีพพมีชาติภพชาติทางต่ำต่ําอสุรตายไปสตว์โลกเดือฉานเาโง่เราไม่จึงหลงมันโง่เราไม่จึงทุกข์เพมันโง่สัตว์เดือฉานไปแล้วบางทีมันไม่ดีทุกข์ที่ไก็เหมือนจุดไฟเผาเตีงก็ยังทุกข์กันอยู่ วัตสัจจฌานให้พัฒนาตัวเองมนุษย์ใจสูงขึ้นมาปฏิบัติธรรมไม่ยอมการความหลงก็ไม่ได้ฉี่ช่างฉี่มามามันเป็นอาการเกิดกับจิตกับใจ เนาการเกิดกับลายกับรูปไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรถ้าเราไม่ประกระาศราษาความคิดเฉยก็เป็นทุกข์ไม่ใช่มีใครมาบาังคับขับใส่คิดเฉยเฉยก็ทุกข์แล้ว เราในชนนอนอยูอย่นห้องนอนในห้องเอรในห้องอุ่น <c oughs> เออุ่นแอร์เย็ น, นก็ทุกอยู่ความคิ ด, คดถ้าเราว่าลูกมามเห็นมันเรามันเช่นผมบังภูเขาเห็นมันคิดไม่เป็นผู้คิด จความคิดในความคิดมันเป็นความไม่มันเป็นความลู้ในวิชาในอวิชาเป็นวิชาในปัญหาเป็นปัญญาอันนี้นะก็เลยสะดวกชีวิตในสะดวกได้ชีวิตใหม่เทีท่ยงพอจบสิน้น เป็นวิทยาศาสตร์อาศัยสติดูกายดูใจเป็นวิทยาศาสตร์เธรรมะธรรมศาตรศาสตินี่มันจบเป็นอันศาสตรทางโลกไม่จบไม่สิน้นโลกทาง ร่างกายก็ไม่จบไม่สิน้นมีโรคใหม่ๆแต่โรคที่มันเกิดจากความโกรธความโลภความหลงเป็นทุกข์พเกิดเจ็บเจ็บตางจบได้จบไ ด, บได้นี่คือทางพุทธศาสตราได้ชีวิตขึ้นมาไม่เป็นอะไรกับอะไร มิไดเห็นไม่เป็นไปกับมันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกลุมนามเนี่ยไม่ได้เห็นไม่เป็นจะให้เป็นได้ไงไม่ถูกต้องให้หลงเป็นหลงอย่างไงความหลงไม่เป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมมันเห็นแจ้แค่อย่างนี้วิปัสนาวิปัสนาเห็นอย่างนี้ ไม่ใช่เห็นอะไรที่ไปนอกจากรูปจากน้ำราโกรธไม่เป็นธรรมก็ไม่โกรธเป็นธรรมมันก็เห็นแย่ขนาดนี้มันไม่มีคำถามอะไรว่าล่วงพ้นภาวะเดิม มันละมันจะดีหรือเปล่ามันหลงละดีแล้วมันคิดก็ดีนะจะได้เห็นมันเราไม่ตั้งใจคิดมันคิดมากรู้มากรู้ทันมันจะได้บทเรียนจากมันมันมีงานให้เราทําทําก็สําเร็จทําเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นี่มันลึกซึ้งมากสมน้าหน้ามัน มันโกรธยิ่งดีจะได้เปลี่ยนไม่โกรธเนีคนเราพบคนเราภูมิเลยถ้ามีนะถ้ามันทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์เนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่ลีรับปฏิบัติได้ให้ผลได้มีสิทธิมันโกรธมีสิทธิไม่โกรธร้อยเปอร์เซนใช้สิทธิของเราได้ไม่ต้องขอญอาตจากใคร นี่คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติยอมสละทิ้งไปทําไมใช้ชีวิตของตนให้มันชอบธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมถ้ามันมีอยู่นะถ้าเรามีความเป็นธรรมในตัวเราแล้วคนอื่นก็มีความ่ป็นธรรมไปหมดเลยในโลกนี่เม็ดตินเม็ดหินเม็ดทราย อะไรก็เป็นธรรมอู๋ขนก็เป็นธรรมเบิดมิตภาพสันติภาพเรียกว่าแผ่นดินบรราบเหมือนหน้ากองใสเป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่อไม่หลงก็มีใครไม่หลงก็เหมือนกันหมด นิสติก็เหมือนกันหมดเปลี่ยนร้ายเป็นดีเหมือนกันหมดเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกไม่ทุกเหมือนกันหมดเป็นคนคนเดียวกันเรียกว่าสันติภาพถ้าขอให้มันเกิดขึ้นกับเราก่อนไม่ต้องมีคําสั่งจากที่ไหนมามันก็ไปกันเองละตืต่นหรือโล่น ได้บอกได้พูดได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ช่วยเหลือกันได้พึ่งพาอาศัยกันไ ด, ได้พึ่งซึ่งกันและกันตายไปกันลยายมิตรทั้งหมดของพรหม จ, จันย์พากันไปสู่มรรคส่ผลได้ช่วยกันเป็น เอาอย่างกันได้คนอื่นเขาไม่หลงเราเจ้าโม้หลงจะทําไมคนอื่นเขาไม่ทุกข์จะมาทุกข์จะทำไมขีน้นั่นอยู่กะทิหลังน้นวาสกนั่นอยู่กะทิหลังนู้นวาชิกาอยู่ก็ทิหลังน้นพระอาจารย์หลวงพ่ออยู่กะทิหลังนู้นเห็นกันต่างคนต่างปฏิบัติกันอยู่เนี่ยตามดีกันอยู่เพียงแต่เดินผ่านกันก็ ก็อุ่นใจแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อยู่คนละมุมก็อุ่นใจหรือบางทีโอ้ต้นไม้เป็นเพื่อนเราเดินตรงกลองอยู่ใต้ต้นไม้เหมก็ยืนอยู่นิ่งๆล้วไปคิดอะไรเขบางแดดให้เราอยู่เขคลายออกเสียให้เราอยู่ปรับความบอน ก่อนให้เป็นออกซีเยนให้เราอยู่มีแต่ธรรมชาติให้แต่ความโงมร่งเย็นตอบปัญหาชีวิตได้ในธรรมชาติไม่มีอะไรรบกวนเราถ้าเรามาใช้ที่นี่ให้เป็นประโยชน์เจอตัวรันรู้จะไปใช้ที่ไหนใครจะช่วยเราได้ ถ้าหลงก็หลงเองถ้าต้องลูกเองต้าจักช่วยตัวเองท่นทุกข์ท่านก็ทุกข์เองคนอื่นเขาไม่ทุกข์กับท่านท่านต้องเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ตัวเองเรียกว่าปฏิบัติเองปฏิบัติ ต, ต้องทําด้วยตนเองสวากขาโตพระขวตาธโมพระธรรมบรรพระผู้มีพร ะ, พระพเจ้าตัดไปดีแล้วผู้ศึกษา ที่ปฏิบัติตพึงทําด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการควรโน้มมาหาตัวเองควรเรียกผู้อื่นมาดูมาดูชี้เนี่ยให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นตามทุกควรใจผู้ปฏิบัติแน่นเป็นวิทยาศาสตร์ขนาดนี้ ไม่ใช่เสียงยกมือพลิกมือขึ้นกรบลู้ได้ไม่ต้องรอปัจจัดตังเวคิตะูอยู่หิตติได้ทันทีหายใจเข้ารู้สึกได้ทันทีหายใจออกรู้สึกได้ทันทีนี่จะเป็นประโยชน์อุปกรณ์การผิดความรู้สึกตัวที่เกิดจากรูปอย่างนามเนี่ย มีมากมากพอใช้เอามาเป็นประโยชน์ได้ใครๆก็คิดใ ค, ใครก็ทุกข์ใครๆก็มีความโกรธโลภหลงมากันหมดจากพระพุทธเจา้จาน่จนเรียกว่ามารกิเลสมารขันธ์ธรรมารมัดจมมาน สังขารมานเทวุตตมานเทวุตตมารู้จักไหมือเทพบุตรมานรู้จักไหมามาพวกเราอาจจะไม่มีเทพบุตรมาร น, นะแต่พระชิตถะสมัยปฏิบัติใหม่ใหมีเทพบุตรมานนะอะไรเพราะว่าสนมกํานันนาย เท่าไหร่พระสาสสามล ด, ดูมีใครบ้างมีภระสาสสามลูดีเนี่ยพระเจ้าจะกระพรรดิรา ช, ชสินชะดึงขานสามารถอยู่ได้นั่งนอนอยู่มีดีจีทีเปกลองพัดไหวตลอดเวลา ไม่ให่ส้สหองเลยย่อมคิดถึงเทวดาทางานเช่นนั้นแลวเรียกว่ามานด้วยนะวันไหลไปไหลไปถึงอดีตเคยมองหน้าเคยสนุกสนานเคยอยู่ได้สิ่งแวดล้อมดีๆมานั่งอยู่ต้นโพคนเดียวเนี่ยยอมคิดถึงกับบางไม่ใช่มาคิดถึงเังนั้น คิดถึงพิมพผาคิดถึงล้อหุน่นคิดถึงพระราชาวิดาคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วก็คิดถึงพ่อถึงแม่เหมือนกันคิดถึงลูกถึงเมียเหมือนกันคิดเหมือนกันนะความโกรธก็มีเหมือนกันมันมาตามมาห่มพ่อเหลืองยังมีความโกรธ มีเหมือนกันนะโอ้ความรักก็มีนะในความโกรธมีความรักด้วยในความรักก็มีความโกรธด้วยไม่เหมือนกันรวมทุกแท้คือถูกพื ห, หลงนะั่นะดีกันก็นมาสร้างจังหวะเราก็เถียนบอกให้รู้จักตัวนะโอ้เก็พอดีกันนะจอ <c oughs> หลง ต่อหน้าตอตาลู่กับหลงเลยตรงกันพอดีพอดีเหมือนหลังมือหน้ามือหลงที่นลู่เช่นอู้พอดีกันเลยเกันเอารู่ไปเรื่อยไปอะไรก็รู่รู่ไปเรื่อยอ่อนล่าให้ความหลวงความทุกข์ความโผดความวิตอะไรต่างๆเมื่อยล่าสิ่งเหล่านั้นนะความลูกเข้มแข็งขึ้น ใหญ่ขึ้นเป็นอินทรีย์สติอินทรีย์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมหาลู่มันก็ครอบงมความหลงได้เมื่อความหลงน้อยลงมันจะความโกรธความโล้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นในอยากมานดาความชั่วอกุศลนั่นแหละมันคือความหลงตัวนี้ <c oughs> ม่นต้องไปแย่นอื่น <c oughs> เหมือนตัดลากก็ได้ต้นมันได้โอดีกันโอ้ยพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะอย่างนี้เนาพระพุทธเจ้าโอ้ยหลวงพ่อเทียนก็รู้อย่างนี้นาะเมนเดียวกันนี่เนาะขยันลงไปมันความรู้สึกตัวเป็นมารดาความ เป็นม a n d าของกุศลความหลงเป็นม a n d าของอกุศลต้องต้นที่นี้เหมือนวิชากับว่าวิชาเหมือนสังขารกับวิสังขารตรงกันไหมสองอย่างเท่านี้นสังขารคือปุ้งวิสังขารจุดเหมือนรถที่วิ่งมันต้องหยุดถ้าวิ่งไม่รู้จุดหยุดเลิกใช้ไปได้ <c oughs> มันตาชีวิตของเราก็เหมือนกันฉนะังขานมันวิ่งมันปุงวิสังขานหยุดปุงบางลงแล้วไม่เอามาอีกแล้วเหมือนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยตาลาหาเวหยุดเราไม่ปุงเราวิชาเป็นป่าอาวิชาลมวิชาอาวิชามืด วิชาสว่างเนาะตรงกันมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยอย่าประยอมแม้มันลิบหลีก็แวกไปก่อนมันจะมีความหลงความโกรธอบกุ้มมืดมัวไปหมดเลยแต่รู้จึกตัวลิบหลีนะอกไปท้งนั้นละ่ะพลิกมือเข้าสร้างมือเข้าสเส้นไหมเข้าแม้ลิปหลีก็ตามไปก่อนหวนไป ดีซีหรอืออยู่ตามโรงแรมาที่บ้านที่บริษัทมันไฟ AC มันดับหมดแต่ไฟดีซียังลิปีอยู่ทั้งนะั้นทางไปเดินตามพักไปมราจะพบทางออกโล่งเก้งโอ้ผ่านโคมืดจึงเห็นหมันแจ้งบ่หมีมืดมันต้องไม่แจ้ง อย่าจนอย่าจนต่อความหลงความโกรธความทุกข์ก็ไม่หลงควมไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่อยู่เพามเจ๋งตัวนี้แล้วก็เจ๋งไปเรื่อยให้ความแต่ความเจ็บความตายไปโน่นเพื่อไปถึงโน่นจริงๆนะง่ายแล้วบนถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้อันความเก่เห็นมันเก่ยมันเจ็บเห็นมันเจ็บมันตายเห็นมันตายง่าย ม, มันมันมันทำได้แล้วทำเป็นแล้วเป็นแล้วทําให้เป็นแล้วไม่ใช่รู้ว่าทำมาไม่ใช่รู้นะทำเป็นการเป็นต้องสอนตัวเองมันหลงเปลี่ยนไม่หลงทาเป็นแล้วมันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข <sponsor S 2> ์หืออะไรก็ตามเปลี่ยนรูกเปลี่ยนรูปทาเป็นแล้วง่ายแล้วคนรู้รูอะไรก็รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว อัญยาสี่วัฏภูญญโกลนทรันโยอัญญาสี่วุฏภูโกลนทันโยอัญยาอัญญาอัญญาสีอัญยาอัญญารูแรแรแรแรร้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้นั่ะรียก ว, ว่าทําได้แล้วทำได้แล้วมันทําได้ทําเป็นไม่ใช่รู้อะไรทั้งหมดทําเป็นการรู้มันผีผือกเปืเ่นการทําเป็นเนี่ยสำคัญทําได้แล้ว ทำเป็นแล้วไม่เที่ยงรู้แล้วทําได้แล้วไม่เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เรียว่ารู้แล้วทำได้แล้วไม่เอาความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ทำได้แล้วเอาความมาเที่ยงเป็นนิพพานเอาความเป็นทุกข์เป็นนิพพานคือไม่มีไม่เป็นทุกข์คมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์อะไรไม่เอามาเป็นทุกข์มิแต่รู้รู้รูู้้รู้ ก็เหนือการเกิดจะเจ็บตายเท่านั้นเองไม่ใช่จะตายไปเอาละเวลานี้ดีที่สุดชั่วโมงนี่วินาที่นี่ดีที่สุดมีสติเดี๋ยวนี้รู้ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนความชั่วเป็นความดีเดี๋ยวนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนอะไรเป็นความรู้ความรู้ไปเดี๋ยวนี้นะดีที่สุด คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยดีที่สุดสําคัญที่สุดกว่าคนอื่น ท, ทําดีต่อกันให้ได้เรานี่ลยเป็นคนที่จะต้องรู้ตัวเราให้มากที่สุดมันมีอะไรนรู้ตัวเราเรืวรู้แผนที่ภูมิประเทศใช่ได้ปะในความหลงเกิดจากเราเพรไม่หล ง, ม, ม, ม, ง ม, ม, ลล ม, มันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์อยู่ในเราก็รู้แล้วรู้ตัวเราเวลามันมีความไม่เที่ยง ไม่ตะกิดตะคายลเลยไม่ต้องเป็นทุกเวลาใดไม่ควรไป็ทุกรู้แล้วไม่เอาความทุกมาเป็นทุกไม่นแตรู้ไปนะให้ทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เสร็จไม่สิ้นก็จนตายหลงจนตายทุกจนตายเกิดเจ็บตายเกิดดับเกิดดับแล้วก็ไม่สิ้นพบสิ้นชาติ ปฏิบัติธรรมมันถึงอาการดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายนี่ชีวิตชีวาหรือเปลชีวิตมันไม่เป็นอะไรชีวิตไม่เป็นอะไรกับอะไรคือชีวิตมันได้จากการปูนเพื่อนมันจะได้ความสอชีวิตมันเปื้อนเพื่อนมาเจโจมันเขนาผ่องไม่เป็นอะไรกับอะไร นี่คือชีวิตของเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่อานี้นะอ๋อต้องคอยเฉยเวลากนะับภาภาพระบอมกัน